ตอบผมได้รับคําก็คงพูดเหมือนอุปการะนี่เอง 2 รู้ตามจริงของพระคือ รู้ฐานะว่ากําลังเสวยผลอย่างนั้น และการหมั่นอย่างไรก็ตามผมก็ไม่ได้สร้างมุมมองให้เห็นอาชีพหมอดูเรากำลังทำและ ลูกค้าที่ดูหมอแล้วคลายใจหายหรือ เคยแล้วควรระวังเนื้อระวังตัวไว้อย่างไรทํากรรมอันใดมาแล้ว ผมเองพบคนที่มีความสามารถพิสดารทาง ผมก็ก็ขอตอบว่าทราบๆๆๆ ก็เรียกว่าเป็นศาสตร์ศาสตร์มีอยู่มากว่าความเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษศาสตร์ความเห็นว่าศีลธรรมเป็นสิ่งควรรักอยู่มาก ศาสตร์ที่ 2 กันอย่างจริยธรรม ผมว่าสนใจศึกษาเรื่องกัมดีกรรมถาม มักเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวเองในรูปแบบ อ่าเราหนีหน้าคนอีกอยู่ดีในโลกตื่นครับหรือจะ 20 ปี กัดไม่ปล่อยอยู่ดีจนกว่าจะแน่ใจว่า ลองตัดก็ให้เกิดความสุขในระยะยาวเปลี่ยน 1 หนึ่ง ตัวเองให้อภัยไปหมดแล้วให้อภัยไปหมดแล้วเอ่ยปาก อันทําๆเป็นเช่นถูกคนหลอกคนหลอกก็ให้ทำใจไว้ว่าเราคงเคยหลอกใครต่อใครใครต่อใคร ก็คือคิดว่าเราจะไม่หลอกใครให้ตั้งใจปกติคนเราชอบระบบตาต่อตาฟันต่อฟันสิ่งที่ กอุตสาหะจพาลพาโลโฉเกไป บวกทวีตัวๆ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 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เราไม่สามารถล่วงรู้ด้วยตาหูคือวิบากกรรมไม่ผูกใจเจ็บการไม่ผูกใจเจ็บกําลังลงๆ หาใช่เป็นเพราะเราอยากแกล้งแสดงบทเป็นพ่อพระหรือแม่พระแต่เป็นการตั้งใจยกเอาตนเองออกจากเส้นทางอุบาทสายเดิมขึ้นสู่เส้นทางใหม่ไกลออกมาเรื่อยๆปกติถนนหนทางเส้นใหม่ย่อมมีบ้านเรือนและผู้คนแปลกตาอย่างไรชั้นใดชั้นนั้นบนเส้นทางกรรมใหม่เราก็จะเห็นผู้คนและสถานการณ์แปลกใหม่ ในทางดีกว่าเดิมทางเช่นกันกว่าเดิมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ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 เมื่อรู้จักใจที่วางอาวุธอย่างแท้จริงรู้จักใจที่วางอาวุธ เพราะถ้าจมๆแล้ว